วิจัยเช่นหนึ่งน่าสนใจเ้าก็ทำกับหนูนะหนูสิบตัวอยู่ในกรงแล้วก็มีมีกระบอกน้ำขวดน้ำเหมือนนะ <c oughs> สองขวดขวดหนึ่งก็เป็นน้ำเปล่าอีกขวดหนึ่งก็ผสมเฮโร อ, อีนแลน้วโขเคนเข้าไปก็ปรากฏว่าหนู เรียกว่าส่วนใหญ่เลยเลิกก้าวในสิบเดิมก็ไปกินน้ำนะจากขวดน้ำปกติแต่พอได้ลิ้มรสน้ำที่ผสมเฮโรอีนโคเคนก็ทำไปกินน้ำขวดที่สองแทนแล้วกินกินกินจนกระทั่งตายเลย อันนี้ก็มันก็ชี้ให้เห็นนะว่าโทษขอเฮโรอีนแล้วโคเคนนี่มันเป็นยังไงบ้างเป็นสารเสพติดแม้ก็ทั่งหนูพอเสพมากๆก็ก็ตายแต่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่นะมันก็เป็นเรื่องที่เราพอจะคาดเดาได้แต่ที่มันแปลกก็คือก็มีคนเนี่ยเอา การทดลองที่ไปต่อยอดก็คือมีกรงสองกรงนะมีนก ม, มีมีนุอยู่ในกรงสองกรงกรงแรกนี่ก็มีขวดน้ำสองขวดนะเหมือนกับที่พูดเมื่อสักครู่น้ำขวดหนึ่งก็มีเป็นน้ำปกติอีกขวดหนึ่งก็ผสมเฮโรเอนและโคเคน ใตโคงที่สองนี่ก็คล้ายๆกันนะมีน้ำปกติแล้วก็น้ำผสมคโคเคนแต่ว่าเพิ่มนะเพิ่มสิ่งอื่นเข้ามาด้วยเช่นของเล่นสำหรับหนูแล้วก็มีเพื่อนมีฟอกมีมีอะไรต่ออะไรมากมายที่หนูชอบนอกจากอาหารแล้วก็มีของเล่นมีสิ่งต่างๆพร้อมมูลเลย ก็บอกว่าหนูในกรงแรกนี่นะก็ขาดความ่ยายาก็ติดเฮโร อ, อีนโคเคนจนตายแต่หนูกรงที่สองนี่ทีแรกก็ทีแรกก็ไปชิมลิ้ม น, ะน้ำที่มีผสมโคเคนเฮโร อ, อีนก็ก็ชอบบ้างแต่มันก็ไม่ติดมาก แล้วก็ตาลางก็เลิกไปกินน้ำปกติไห้นุนหนูในกรงที่สองนี่น้อยมากนะที่จะติดเฮโร อ, อีหรือโ ค, โคเคนทั้งที่มีให้เสพไม่อั้นนะทาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะหนูกรงแรกนี่ตายเพราะเฮโร อ, อีและโ ค, โคเคนแต่หนูกคงที่สองนี่ ไม่มีตัวไหนตายเพราะเฮลท์อหรือโคเเคเลยเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นนะที่จะเรียกว่าน่าสนใจหรือว่าให้ความสุขได้มากกว่าคือมันก็สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของคนได้เหมือนกันนะการทดลอง นะที่ว่าเนี่ยคือคนเราเนี่ยนะทุกคนก็ไม่ได้แค่ต้องการอาหารไม่ได้แค่ต้องการน้าเราต้องการความสุขด้วยน้ำและอาหารนี่มันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการนะส่วนใจก็ต้องการความสุขความสุขมันก็มีตั้งแต่ความสุขแบบอยา ก, ยากจนถึงความสุขแบบประนีต ให้ความสุขจากเฮโรอีนนะหรือว่าจากโคเคนนี่ก็เป็นความสุขแปลกยับยากซึ่งมันเป็นความสุขทางกายเป็นพื้นฐานเลยคือพอเสร็จแล้วมันก็ติดนะมันไอติดนี่คือร่างกายมันติดแล้วก็มันก็ไปส่งผลต่อใจด้วยแต่ถ้าคนเราเนี่ยนะสามารถจะ เข้าถึงความสุขที่มันดีกว่าก็ไม่ค่อยจะ่วงหรือโหยหาความสุขที่ยากเท่าไหร่อย่างหนูนี่มันในกรงที่สองเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างอื่นเข้ามาให้เลือกมีของเล่นมีแรงต่าง มันก็เลือกที่จะไปเข้าหาความสุขแบบนั้นแต่ถ้าเกิดไม่มีความสุขที่ดีกว่ามันก็ทำเป็นธรรมดาที่มันจะเข้าหาความสุขที่ยากก็คือเฮโรอีนโคเคน ในการทดลองนี้มันเชื่นว่าคนเราเดีย๋ยวว่าแต่หนูนะคนเราเนี่ยถ้าว่ามีความสุขจากสิ่งอื่นมาทดแทนมันก็ไม่ค่อยไปหาโคเคนหรื อ, อยาเสพติดเท่าไหร่อันนี้อาจจะรวมถึงเหล้าบุหรี่ด้วยอย่างที่เราก็ทราบดีว่าพวกคนที่ติดยา ส่วนใหญ่หรอ้อยทั้งร้อยก็เป็นพวกที่มีความทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ความทุกข์กายแต่เป็นความทุกข์ใจเอาจจะขาดความรักรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างอาจจะมีความเครียดจากการทำงานพวกนี้พอมีความ มีความเครียดมีความทุกข์แล้วก็ไม่มีความสุขอย่างอื่นนะจะมาช่วยบรรเทาทุกข์ได้มันก็เข้าหายาเสร็จติดอาจจะเริ่มตักเล็กน้อยคือเหล้าเอาคือบุหรี่แล้วก็เหล้าแล้วก็ยาไปถึงยาเสร็จติดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีคนเราเนี่มีความสุขนะมีความสุข เมื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตเนี่ยมันก็จะค่อยๆหันหลังให้กับความสุขที่ยากมันเป็นไปในระเดิ อ, อัตโนมัติก็ได้นะโดยที่อาจจะไม่มีใครมาบีบบังคับเลยลก็เหมือนกับหนูเนี่ยโนูมนก็มันก็เลือกได้ว่ามันจะหาความสุขแบบไหนความสุขจากเฮโรอีนโคเคหรือความสุขจากของเล่นละสิ่งต่างๆที่มันชอบ แต่ตั้งที่มันมีเสรีภาพที่จะเลือกได้มันก็กลับอันหลังให้กับเฮโรอีนโคเคแล้วก็พมีความสุขอย่างอื่นมาทดแทนหรือทดเชย อ, อยู่แล้วการที่คนเราจะเลิกบุหรี่หรือเลิกยานี่ก็มันมีกฎมันมีหลายวิธีวิธีที่มักนิยมก็คือว่าไปบังคับ บังคับให้เลิกอาจจะขังไว้ในไว้ในที่ใดที่หนึ่งหรือขังคุกเลยก็ได้แล้วก็ให้เลิกแบบหักดิบแต่ว่าวิธีนี้มันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่พอๆมีสลักก็วกเข้าหาหายาเสเติตอีก แต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้พบความสุขที่มันประณีตกว่าอาจจะได้แก่ความรักนะจากคนรอบข้างความอบอุ่นหรือว่าได้ทำสิ่งที่ชอบที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าได้รับการยอมรับจากผู้คนเนี่ยมันก็จะหลัลโหลงให้กับสิ่งยาเสเตัวนี้ได้ได้ไมียา เมื่มีเรื่องเล่าอะสมัยที่หลวงปู่ดูยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีหลงปุนืมากราแล้วก็พาเพื่อนมาด้วยเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนที่ติดเหล้าลูกศิษย์หลวงปู่ดูก็บอกกับเพื่อนว่าเนี่ยไหนๆก็มาการาหลวงปู่ดูแล้วก็ให้รับศีล้นะให้ สมาทานรับสิจากหลวงปู่แล้วก็ทำสมาธิหัดทำสมาธิสบังใอ้ชายนั้นก็ปฏิเสธมันบอกว่าจะรับสี่ได้ยังไงเล่าอย่างเริมไม่ได้หลวงปู่ได้ยินนนก็บอกว่าเนี่ยแกจะกินเล่าก็เป็นเรื่องของแกแต่ว่าให้ทำสมาธิ วัละห้านาทีจะได้ไหมชายคนนั้นก็รับปากว่ได้ให้เลิกเหล้าอยากจะให้ทําสมาธิวละห้นานทีก็ได้หลังจากนั้นแกก็ผู้ชายคนนี้ก็ทำอย่างที่รับปะทุกวันก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนบางวันก็นั่งสมาธิเพื่อนชวนกินเหล้าก็ ยังไม่ไปนั่งสมาธิก่อนคือเป็นคนที่รับปากไรแล้วก็ทำตามที่พูดแล้วก็นั่งไปนั่งไปคงจะได้รับความสงบนะก็เลยนั่งนั่งยาวขึ้นจากห้าถึงสิบนาทีแล้วก็ยังกินเหล้าอยู่แล้ววันหนึ่งก็ปรากฏว่าเลิกกินเหล้าไป นอ่จากที่ทําสมาธิทุกวันวันนิดวันน้อยวันนิดวันน่อยเลิกเล่าโดที่ไม่ได้มีใครไปบังคับหรือขอร้องเลิกเองเพราะละเพราะว่าได้ความสุขจากสมาธินะมาทดแทนให้ความสุขจากเล่ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องติดจอยไปไม่ว่าความสุขในวงเล่ามันจะเป็นความสุขแบบไหนเป็นความสุขเพราะ เพราะแอลกอฮอล์หรือว่าเพราะว่าได้สังสรรค์กันบางคนก็กินเหล้าเพื่อสังคม <c oughs> ได้ความสุขจากมิตรภาพที่เท่าเทียมกันไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของของเหล้าหรือวงเหล้าแต่พอชายันนี้ได้ ความสุขจากสมาธิอความสุขจากเล่าหรือจากวงเล่าก็ไม่เค่อยมีสเสน่ห์ละหมดสเสน่ห์เขาก็เลิกเอง <c oughs> ตอนหลังก็บวชพระเลย <c oughs> จากคนที่ศีลได้ ย, ยังรับไม่ได้สมาทานไม่ได้กลายเป็นคนที่อสา ม, มารถทําได้มากกว่า น, นั้นนะถือศีล สองยี่สเจ็ดข้อคือบทพระอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคนที่สามารถจะเลิกนะสิ่งเสพติดได้ก็เพราะว่าเขามีความสุขที่ประ น, นีตมาทดแทนซึ่งที่จริงเนี่ยว่าแต่คนเลยนะแม้แต่้สัตว์อย่างพวกหนูเนี่ยมันก็มันก็นกรู้นะว่า อะไรที่ดีกว่าแต่ถ้ามันไม่มีอะไรที่ดีกว่าให้เลือกนะมันก็ต้องเข้าหาเฮโร อ, อนโคเคน <c oughs> นอกจากความสุขที่ยาก <c oughs> เช่นยาเสพติดเฮโรอีนโคเคนแล้วเนี่ยความสุขที่ยากแต่ว่าอาจจะยากน้อยกว่าคือการมาสุขนะ ก็คือสุขจากาวัตถุสิ่งเสพรูลดกินเสียงที่น่าพอใจนี่เรียกว่าการมคุณหรือพวกง่ายคือว่าสิ่งเสพสิ่งบริโภคอันนี้ก็เป็นเป็นความสุขที่คนปัจจุบันหลงติดมาก อาจจะไม่ติดเหล้าไม่ติดโคเคนเฮโร อ, อีนแต่ว่าไปติดอันนี้เรียกการมาคุณนท่าหรือสิ่งเสษก็ออกมาในรูปงการเที่ยวการเล่นการกินการช็อปซึ่งบางคำก็ชักนำทำให้คนเราเนี่ยต้องทำผิดศีลขโมย ขโมยโมยแหละขโมยเงินเพื่ออะไรเพไปซื้อของไปซื้อไนกี้ไปซื้อทองหรือไปเที่ยวไปเล่นบางที่ก็ไปเที่ยวผู้หญิงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องการมาคุณท่าทั้งนั้นแหละที่คนเราทํางานส่วนใหญ่ก็เพื่อจะได้มีเงินไปเสพไปซื้อความสุขแบบนี้แล้วก็ทํางานแบบไม่ตั้งใจทําแต่ขอแต่ทําเพราะจําเป็นต้องการมีเงิน จะได้ไปซื้อสิ่งเสพนันก็เป็นปัญหาแม้กระทั่งผู้ที่ผู้ที่เป็นนักบวชนะนักปฏิบัติธรรมก็รู้ว่าการมคุณห้านี่มันเป็นโทษนะแต่ว่าละได้ยากวิธีการที่มักจะใช้คือการกดข่มกดข่มจิตใจไว้มันมีสิ่งยัวยย่วยุเย้าย่วนยังไงก็กดข่มอาไว้ แต่ว่า ม, มันก็ได้ผลชั่วคราวนะแต่ว่าสุดท้ายก็พ่ายแพ้จนกว่าจะมีหรือได้รับความสุขที่ปนนี้กว่ามาชดเชยหรือมาแทนที่อันนี้เป็นปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่พูะเจ้าคนพบนะพูะเจ้าตรัสว่าสมัยที่พวกยังไม่ยังไม่ตัดสรู้เนี่ยแม้ว่าจะเห็นโทษของการมาคุณแล้วก็เห็นคุณของ เนคขมมะเนคขมมะคือชื้อที่มันปลอดโปร่งโล่งจากการมคุณแต่ว่าก็ไม่สามารถจะละเลิกการมคุณน่าได้จนกว่าพระองค์เนี่ยจะได้สัมผัสหรือว่าได้รับนะความสุขที่เป็นนี่กว่าคือความสุขจากสมาธิภาวนาหรือว่าความสุขจากเนคขมมะคือไม่ใช่แค่เห็นไม่ใช่แค่รู้ว่าการมคุณไม่ดี ในคขมมากนี่ดีแต่ว่าสามารถจะสัมผัสได้ถึงความสุขจากเนคขมมากความทุกขจากสมาธิเมื่อ น, นั้นแหละพระองค์จึงอ่สามารถจะละนะกามาคุณท่าได้แล้วก็ละได้มากขึ้นเรื่อยๆือยจนทั่งมียาณมีปัญญาเห็นอันนี้ขณะพุทธเจ้านะสมัยที่ยังบําเพ็ญบารมีเนี่ยนะ ผมก็ตระหนักว่าในการที่คนเราจะละการบัคุณท่าหรือความสุขที่อยากได้เนี่ยต้องมีความสุขที่ปันนี้มาแทนที่แล้วก็เหมือนกับลิงเหมือนกับหนูนะถ้ามันได้ความสุขที่ปันนี้กว่ามันก็ไม่เอาไอ้ความสุขจากเคโรอินโคเคนแต่ความสุขของหนูมันจะเป็นความสุขที่อยาก <c oughs> ความสุขจากการที่ <c oughs> มีของเล่นก็ยังถือว่าอยากอยู่ ย่งจับเป็นการมาขุนห้ามันมีสุขที่ประณีกว่านั้นเป็นชั้นๆไปถ้าสูงเสือคือนิพพานลองลงมาก็อาจจะเป็นฌานเป็นฌานฌานนี่บางท่านบอกว่าเนี่ยมันมันให้ความสุกยิ่งกว่าเซ็กต์อีกนะเซกต์มีความฝุกจากเพศการมาหล่นมันสู้ความฝึกจากฌานไม่ได้อันคนที่ได้ฌานนีก่ก็ไม่สนใจในความสุขจาก เท่าไหร่หรือความสุขจากกาคุณสามารถจะอยู่ในฌานได้เป็นวันวันแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาความสุขอย่างอื่นก็ได้แต่ข้อเสียคือฌานนี่มันไม่ไม่เที่ยงนะพออีกิของฌานหมดหรือว่าเข้าฌานไม่ได้ตอนนี้ก็จะหวนกลับไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับพวกผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากทั้งเมืองไทยเมือง น, นอกพวกฤษีพวกนี้ แต่ตอนที่ได้ปฏิบัติทำดีนี่ก็เรียกว่าอยู่แบบเรียบง่ายได้แต่พอได้รับสักการะมีลูกศิษย์ลูกขาได้แล้วความนิยมมีเงิ น, ม, งนมีทองไหลมาเทมาไอ้ชามก็เริ่มชนันพอหลงติดในราบสักการะชามก็เริ่มเสือ่อมพอเสื่อมมันก็เจ็บมันก็เข้าหาความสุขอย่างอื่นมาไปเอาความเปือ่องอื่นมาแทนที่ความสุขจักการความสุขวัตถุ บางคนก็สะสมรถสะสมเงินทองสะสมทรัพย์สมบัติหรือบางทีก็มีหาเรมขึ้นมาเลยอย่างพวกพวกฤษีจะไปหากินในอเมริกาล่ำรวยมากมหาวิชีีซึ่งตอนหลังถูกจับก็ห น, นีไปอินเดียก็เปลี่ยนชื่อเป็นโอโช พอเป็นโอโชนเนี่ยก็คอ่คอยกลับมาอยู่ในล่องเนลอยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้ยินเราได้ยินได้ฟังประจำแต่ว่าตางได้ที่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่ปัน่นนิดได้ความสุขจากสมาธิพอแล้วไม่ใช่ความสุขจักชานนะความสุขจากความรู้สึกตัวโปร่งเบาสงบมันก็ช่วยทำให้ใจเราไโหยหาความสุขที่หยาบหยาได้ น้อยลงแล้วไม่ถึงกับหมดไปนะแต่ว่ามันพึ่งพาน้อยลงแล้วเป็นธาตุนะไม่เป็นธาตุสิ่งนั้นแล้วพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะเราก็เรียกว่าปรารถนาชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยมันจะเป็นชีวิตที่มีความสุขได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเข้าถึงความสุขที่มันประนี่ ที่จริงความเรียบง่ายเนี่ยในตัวมันเองก็เป็นความเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะมันไม่ต้องไปวุ่นวายนะกับเรื่องของการประดับประดาการหาสิ่งปลเปล่น้องไม่ต้องไปวุ่นวายการรักษาเข้าของกลัวคนขโมยไม่มีความกังวลอันนี้ก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะความสุขจากความเรียบง่ายซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเนคขมมะสุข นกรมะก็คืออย่างที่บอกการที่ปล่อยวางหรือปอดโปรงจากกามาคุณทาแต่มันก็ไม่ใช่ปอดโปรงทีเดียวนะเพราะว่ายัางไงก็ต้องกินนะยังไงก็ต้องมีปัจจัยสีปัจจัย4ีนี่มันก็สามารถจะกลายเป็นการมาคุณท่าดนะ่เช่นอาหารที่อร่อยเ้อผ้าดีประณีตกุฏิที่รู้ราเนี่ย แต่ถ้าอยู่แบบเรียบง่ายเนี่ยอาหารก็เป็นอาหารที่ที่ไม่หรูหราไม่ปรุงแต่งมากนั้นถ้าความสุขจากความเรียบง่ายที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่ใจเนี่ยได้เข้าถึงความสุขจากความเรียบง่ายแล้วความสุขที่ปัณนีกขนนั้นเจงความสุขจากการภาวนาหรือไม่ได้ความสุขจากการทํางานก็ช่วยได้นะ คนที่เรียบง่ายหลายคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นนักภาวนาเท่าไหร่แต่เขาก็สามารถจะครองชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็รักษาความรักษาธรรมะคือความซื่อสัตย์สุสจริตได้คนอยา่างทจานป่วยนะซึ่งแม้จะมีสิ่งเย้ายวนมากมายก็ไม่ไม่พ่ายแพ้จะมีการขคค่มขู ว่าจะไล่ออกหรือว่าจะปลดจากตําแหน่งก็ไม่กลัวเพราะจิตเนี่ยไม่ได้หลงยึดในความสุขจากลาภสักการละหรือว่าตําแหน่งแล้วทำไมจิตใจท่าไม่หอยหาความสุขประเภณนี้เพราะว่ามีความฝุกจากการทํางานนะความสุขจากความรู้นะที่ท่านเป็นผู้ไฝ่รู้หลายคนนะอย่างโดยเฉาฝรัง่งเนี่ยพวกศาสตาจารย์จํานวนมากนี่ เาก็อยู่แบบง่ายๆแล้วก็ไม่ได้สนใจสมาธิภาวนาในรูปแบบแต่เขามีความสุขจากการทำงานความสุขจากความใฝ่รู้เนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วันนี้ใช้ชบนพระเลยนะมีนักคณิตศาสตร์อนหนึ่งหัวเรียกเป็นอัจชริยะเลยทรัพย์สมบัติไม่ค่อยมีเท่าไหร่อยู่แบบง่ายๆ แต่มีความสุขกการคิดคน้นคิดคนน้นคณิตศาสตร์อธิบายสูตรคณิตศาสตร์มีความสุขกการสอนไม่มีบ้านของตัวเองเนี่ยตะลันตลันไปเรื่อยไปสอนไปไปศึกษาคนา้นคว้าก็เป็นเป็นคนที่มีความรักรักตัวเลขในแล้วอยเป็นชายที่หลงรักตัวเลขเขาก็ ม, มีความสุข อันนี้ก็เรียกว่าใช้ชื่นเหมือนพระอยู่แบบเนคขมมากเพราะมีความสุขนะจากสิ่งที่ประนีตสำหรับคนเหล่านี้ในความสุขจากวัตถุนี่มันไม่ค่อยมีสเสน่ห์เท่าไหร่รวมทั้งอาจจะรวมทั้งชื่อเสียงกิติยศ ด, ด้วยคนนี้จึงสามารถจะอยู่แบบพระได้หรือว่าอยู่ใกล้เคียงกับกับพระท่านที่เป็นคารวา่าในความสุขเนะี่ย คนเรานี่สามารถจะมั่นคงในความซื่อสัตย์สุดจริตอย่างแท้จริงนะก็เพราะว่ามันมีความสุขแบบเนี้ยความสุขที่เรียบง่ายความสุขที่ประเสริฐหรืออย่างน้อยๆความสุขจากการทํางานเป็นเครื่องรอเลี้ยงเราก็จะไม่อิจฉาใครด้วยคนเพื่อร่วม ง, งานก็จะรวยเพราะเขาอาจจะไปหาเศษท้าเลยหรือว่าไปคอร์รัปชัน หรือว่าไปประตบปจ้งก็ไม่อิจฉาเวลาถ้าเมื่อกระามที่เราอิจฉาที่คนหนึ่งเขารวยกว่ามีตาแหน่งสูงกว่าเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงความสุขที่ประณีตเท่าไหร่เนี่ยมันจึงโหยหาแล้วก็อิจฉาคนที่เขามี แต่คนที่เข้าถึงความสุขที่ปัญญเ น, นนะจะไม่รู้อิจฉาพวกที่มีรถหลายคันมีบ้านหลายหลังมีสวมนาฬิกาเรือละแสนเรือละล้านเลยเพราะรู้ว่านั่นเป็นความสุขแบบหบาบยาหมายถ่เป็นความสุขที่พึงปรารถนาเท่าไหร่ยิ่งเข้าถึงความสุขที่เกิดจากการภาวนาเกิดจากการไม่ใช่แค่ความสงบแบบสมถะนะแต่ว่าเกิดปัญญา เพราะกำลังของอิปัสสนาแล้วเนี่ยให้ความสุขที่ผู้คนหลงไหลมันไม่มีสเสน่ห์เลยแม้กระทั่งสัมมนาศักด์แม้กระทั่งราบสักการะอันนี้แหละเป็นตัวหลอ่อเลี้ยงทำให้สามารถจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงหรือว่าสามารถที่จะครองตนเป็นอิสระพู้เจ้าเปรียบเทียบนะว่าเปรียบเทียบคนเนี่ยว่ามันมีหลายชนิด ชนิดหนึ่งนี่ก็เอาาเปรียบมันกับกวางนะกวางกวางบางตัวเนี่ยมันมันลหลงไหลในหญ้าในทุ่งหญ้าแต่ทุ่งหญ้านี่นะมันก็มีพรานเนี่ยคอยซุ่มอยู่พอไปกินในทุ่งหญ้าตรงนี้นะทุ่งหญ้าที่มันสะดวกสบายก็เสร็จพรานถูกพรานยิงตาย มีวัวอีกตัวหนึ่งมันรู้ว่าไอ้ทุ่งยาา น, นี้อันตรายมันก็หลบเข้าไปในป่าแต่มันก็เข้าไปอยู่ในป่าได้ไม่นานมันก็หิวมันก็ออกมาที่ทุ่งยา น, นี้แล้วมันก็โดนพรานยิงตายแต่มีไัรอกตัวหนึ่งรู้ว่าทุ่งยาา น, นี้อันตราย แล้วก็ไม่เพียงจะหลบเข้าไปในป่าแต่ไปสแสวงหานะทุ่งหญ้าอันใหม่ที่อยู่ไกลเมื่อมันเจอนะมันก็ปลอดภัยแล้วมันก็ไม่หวนกลับไปที่ทุ่งหญ้าอันเดิมอีกเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเป็นทุ่งหญ้าที่ดีกว่านะนั่นก็เปรียบน วัวกวางตัวแรกนี้ก็เปรียบเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละที่ลหลงไหลในการมาคุณแต่พอติดในการมาคุณเขาก็กลายเป็นโทษก็เดือดร้อ น, นเดือดร้อนน่นหรือร้อนหลายอย่างเช่นอาจจะไปโกงเขาโกงเพื่อหรือไปลักขโมยเพื่อได้มีเงินมาเสพก็ถูกตำรวจจับถูกยิงหรือไม่เช่นั้นเนี่ย มีทรัพย์สมบัติก็จริงได้ทามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุสจริตแต่ว่าเกิดล้มละลายก็ขาาตัวตายเสียใจมากอันนี้เรียกว่าโดนพรานเล่นงานสารพัดบางทีก็ทะเลาะกันฆ่ากันเพราะว่าแย่งชิงทรัพย์สมบัติหรือว่าแย่งชิงมรดกหรือไม่ิชันก็เครียดนะเครียดเพราะว่า คนท้อง ล, อ ย, ลอย้อันนี้เรียกว่าโดนพรานดิมตายคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคลา้คลายกวางประเภทที่สองตัวที่สองเช่นนักบวชอันนี้นักบวชนักบวชนี่ก็รู้ว่ากามาคุณไม่ดีก็พยายามออกห่างมามาบวชแต่ว่าไม่สามารถจะมีความสุขอย่างอื่นมาทดแทนได้จิตใจก็เลยหยหาความสุขเดิ ม, ดมที่อยาก สุดท้ายนั้นก็ต้องกลับเวียนเข้าไปหาการมาสุขอาจจะศึกหาราเพศไปหรือว่าอาจจะไม่ได้ศึกแต่ว่าก็พลังเผลอไปอาจจะเป็นการมาสุขแบบที่ไม่ได้เลวร้ายนะักเช่นความสุขจากการกินความสุขจากเงินทองสะสมเงินทองเรียกว่าความสุขจากลา หรืออาจจะเป็นความสุขจากสมณศักดิ์การยอมรับทําไมแตดสมณศักดิ์ก็อาจจะเอาอย่างอื่นมาแทนเช่นด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้มีพราจจำนวนมากก็มีคำว่าด็อกเตอร์นำหน้าอันนี้ก็เรียกว่าลหลงไหลติดยึดในศักการะแม้ว่าเป็นนักบวชนะแต่ว่าก็ยังอยากจะได้ อยากจะให้คนนับถือยกย่องมาเป็นด็อกเตอร์คือเป็นพระนี่ไม่พอนะต้องเป็นด็อกเตอร์ยถึงเงยถึงมีความสุขอันนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เจอความสุขที่ประนนี่เพราะต้องมีความสุขเป็นนี่แล้วใ้ความฝึกจากการยอมรับได้ ร, รับการยอเราเป็นด็อกเตอร์เนี่ยมันมันเล็กน้อยไปเลยแต่เพราะไม่มีก็เลยอยโหยหาอยากจะให้คนยกย่องเป็นต้นแต่ถ้าได้สมรสมายอย่างอื่นก็เอา ไปบินเต้นกันอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นกวางตัวที่สองส่วนกวางตัวที่สามก็คือผู้ที่เข้าถึงความสุขที่ปัะญีแล้วเป็นความสุขที่เรียกว่าเที่ยงแท้ก็ได้นะตอนนั้นก็ไม่หวนกลับไปหาความสุขที่อับยากอีแต่ที่จริงไอ้ความสุขที่ประณีเนี่ยมันก็อาจจะอย่างที่ว่านึกตัวอย่างนะสําหรับคนผู้ใช้ยุทธทางโลกเนี่ยอาจจะหมายถึงความสุข จากปัญญาความฝุกจากความไฝ่รู้ก็ได้คนที่มีความสึกจากความไฝ่รู้นี่เขาก็สามารถจะใช้ชีวิตแบบนักบวชก็ได้ไม่หลงไหลในเรื่องของลาภสักการะอาจจะไม่หลงไหลในลาภแต่สักการะยังพอมีอยู่บ้างหรือต้องการการยอมรับไดรับคำชมอ่ะก็ดีใจแต่บางคนเขาก็ไม่ไม่แคร์นะมันก็มีคนประเภทนี้อยู่น่าทึ่งเหมือนกันใช้ชื่อเหมือนพระ อันนี้ก็มีความสุขนะจากความรู้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือจากการค้นพบอันนี้เป็นเรื่องความไฝรู้ของผู้มีปัญญาเราะในทางพุทธศาสนาเนี่ยถึงให้ความสำคัญเรื่องความสุขมากแม้วจะพูดเรื่องทุกข์เยอะจะพูดถึงเรื่องทุกข์เพื่อให้รู้เท่าทันนะเมื่อรู้เท่าทันแล้วก็จะได้เห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ นะและถ้ามีความแล้วเมื่อมีความสุขนะมาทดแทนมารอเลี้ยงมาชดเชยเนี่ยก็สามารถจะทําให้จิตใจเป็นสระจากความสุขแบบหยาบๆได้จนกระทั่งยิ่งเข้าถึงภาวะที่ไม่มีตัวกูของกูหรือว่าหลุดพ้นจากความยึดในตัวกูของกูได้มันยิ่งเป็นสุขใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตทางโลกหรือใช้ชีิต อย่างนักบวชเนี่ยในความสุขเป็นเรื่องสำคัญพยายามเข้าถึงความสุขที่ประณีตให้มากขึ้นมากขึ้นเวลาทำงานนะถ้าเรามีความสุขจังงานไปเรื่อเหล่าเลี้ยงนี่บางทีผลสำเร็จมันยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรือว่าคํามชวนชนสารเสริมก็ไม่สำคัญเท่าไหร่หรือว่ารางวัลเนี่ยก็จะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะทำแล้วมีความสุข แต่แน่นอนบางครั้งก็มีอัตราหรือตันหาโผลเข้ามาแซมเข้ามาว่าจะหวังหวังรางวัลหวังความสําเร็จหวังความชื่นชมบ้างแต่ถ้ามันมีคามตาไปที่มีความสุขจาก ง, งานเป็นเครื่องหลอเลี้ยง น, นะไอความสุขจากอย่างยากก็จะมาล่อลอกได้น้อยมีที่ผลได้น้อยแก็ยังเพลินกับความสุขแต่ก็อย่างว่านะคนเรา มันไม่สามารถจะทำงานไปได้ตลอดถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งถามก็ไม่ให้ต้องวางงานหรือว่าไม่สามารถทํางานได้คนที่มีความสุขการค้าขายความสุขการขีดเขียนความสุขจากการค้นคว้าพอแก่ตัวนี่ทำไม่ไหวแล้วไม่งนก็ต้องรู้จักหาความฝึกอย่างอื่นมาทดเชยมาทดแทนด้วยไม่งั้นก็กระสับกระส่าย เพราะไม่มีนานทำหรือทำงานไม่ได้อะไรที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เราทุกข์ได้เมื่อมันโดยพื้นเมื่อมันไม่เป็นไปดังใจหวังแต่ถ้าเราก็สามารถจะเข้าถึงธรรมะความจริงข้อนี้ได้แล้วก็ไม่ยึดติดถือมั่นกับอะไรเลยเนี่ย่เนี่ยจริงจะเป็นสุขอย่างแท้จริงเพราะไม่ยึดเมื่อไม่ยึดสิ่งใดเลยนะก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เป็นทุกข์ได้อีกต่อไป ช่เรับกูกับท่านนี้กับ